เรื่องพระเจ้าสุดโททนะทูลขอพรครั้งนั้นพระเจ้าสุดโททนาะสกยะได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งใ น, นที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระเจ้าข้ามอมฉันทูลขอพรพระผู้มีพระภาคอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคถวายพระพรว่ามหาบพิษผู้โคโดม แต่ทาคดทั้งหลายเลิกพรเสียแล้วพระเจ้าสุดโททนะสักยะทูลว่าหม่อมฉันทูลขอพรที่สมควรและไม่มีโทษพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปรดตรัสบอกพรนั้นเถิดมหาวพิธผู้โคดมพระเจ้าสุดโททนะสักยะทูลว่าเมื่อพระองค์ทรงผนวดหม่อมฉันมีทุกข์ไม่น้อย เมื่อนั้นถ้าผนวดก็เช่นเดียวกันครั้นราหุบรรพชายิ่งเกิดทุกข์เหลือประมาณพระพุทธเจ้าข้าความรักในพระโอรสย่อมตัดผิวตัดผิวแล้วก็ตัดหนังตัดหนังแล้วก็ตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วก็ตัดเอ็นตัดเอ็นแล้วก็ตัดกระดูกตัดกระดูกแล้วก็จดเยื่อในกระดูกขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้บุตรที่มารดาบิดา ยังไม่อนุญาตบรรพชาพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าสุดโททนะสักยะทรงเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแก้ากล้าห ล, ลอบชโลมใจให้สดชื่นราเริงด้วยธรรมีกถาครั้นพระเจ้าสุดโททนะสักยะผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาหารแก้วกล้าปลอบชฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณเสด็จกลับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องเอาบัตรทุกขกด ขันพระผู้มีพระภาคประทับอยูน่น ก, กรุงกบิลพั์ตามพระธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงสาวัตถีทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะข้า บ, บดีเขตกรุงสาวัตถีนั้น